ข้อความในพระสุตตปปิฎกคุตการนิกายมหานิเทศน่นะอัตตะทันตะสุตตะนิเทศที่สิบห้าในหน้าสี่ร้อยห้าสิบแปดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์อันลูกสอนใดปักติดแล้วย่อมเล่นพลานไปสู่ทิศ ท, ทั้งปวงเพราะถอนลูกสอนนั้นเสียแล้ว ย่อมไม่เล่นไปสู่ย่อมไม่เล่นไปย่อมไม่จมลงก็แสดงว่าสัตว์ทั้งหลายที่เล่นไปไหนต่อไหนกันก็ถูกลูกศร น, นั่นแหละปักไปตามแรงแห่งลูกศรที่ลูกศรปักนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าถอนลูกศรได้ก็ไม่ต้องไปอีกแล้วคาว่าสัตว์อันลูกศรใดปักติดแล้วนี่แหะคำว่าลูกศรลูกศร น, นี่มีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกัน คือลูกศรคือราคะ1นสองลูกศรคือโทสะ3ลูกศรคือโมหะ4ลูกศรคือมานะหลูกศรคือทิฐิ6ลูกศรคือความโศก7ลูกศรคือความสงสัยและก็หมายถึงลูกศร7ประการถามว่าลูกศรคือราคะเป็นไงตอบว่าความกำหนัดความกำหนัดนักความยินดีความชอบใจความเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิน ความที่จิตกําหนัดนักอภิชาโลภะอากุศลมูลนี่ชื่อว่าลูกศรคือราคะก็คือโลภะนั่นแหละเป็นลูกศรที่เสียบสัตว์เนี่ยนะพอลูกศรคือราคาเสียบนี้ก็แล่นไปจากทิศหนึ่งสู่ทิศหนึ่งจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยนะลูกศรคือโทสะเป็นฉนัยความอาฆาตย่อมเกิดขึ้นว่าคนโน้นได้ประพฤติความพินาศแก่เราแล้ว ความมาคาดย่อมเกิดขึ้นว่าคนโน้นย่อมประพฤติความพินาศแก่เราความมาคาดย่อมเกิดขึ้นว่าคนโน้นจากประพฤติความพินาศแก่เรานนะก็คือเขาทาความเสียหายให้แก่เรานั่นเองเขาทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักหรือว่าเขาสนับสนุนส่งเสริมศัตรูของเราอันพวกโทสะหรือความโกรธความดุร้าย ความเพาะวาจาชั่วความไม่เช้มชื่นแห่งจิตอันนี้แหละเรียกว่าลูกศรคือโทสะเบางคนเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกําลังแห่งโทสะนะโทสมันพาไปจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งจากทิศหนึ่งสู่ทิศทิศหนึ่งเนี่ยนะบางคนเนี่ยติดตามไปเพื่อที่จะด้วยแรงพยาบาทเนี่ยไปไปหาเรื่องอะ่ะนี่นะลูกศรคือโมหะเป็นไงก็ความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในสมุทัย ความไม่รู้ในนิโรธความไม่รู้ในมักเนี่ยนะก็คือความไม่รู้ในอริยสัจส์่ความไม่รู้ส่วนเบื้องต้นความไม่รู้ส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ส่วนทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายความไม่รู้ในธรรมทั้งหลายที่อาศัยการเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปาตเมีวิชาเป็นต้นเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็ไอความไม่รู้เหล่านี้นี่แหละเรียกว่าวิชาเรียกว่าไม่รู้แประการ ความไม่ร <kiem> <ick the> <dreams> okay. ู้ความไม่เห็นไม่เห็นก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้ความเห็นนั่นเองอวิชชานั้นเป็นความไม่ตรัสรู้คือไม่รู้อริยสัจเนี่นะความไม่ตามตรัสรู้ความไม่ตรัสรู้ชอบคือไม่ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นเองหรือความไม่แทงตลอดสัจจะความไม่ถือเหตุความไม่ถือเหตุด้วยดี คือไม่ถือเหตุในรูปประคันเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเงี้ยอวิชชานี้ทําให้ไม่ถือเอาด้วยดีความไม่อย่างรู้เหตุความไม่เพ่งพินิษความไม่พิจารณาความไม่กระทําให้ประจักษ์ความไม่ผ่องแพ้วความโง่เนี่ยนะความโง่ก็คือความเป็นพานความลุ่มหลงความหลงทั่ว ความหลงพร้อมคือหลงรอบอ่ะนะมองไปแง่ไหนก็หลงหมดนะอะอวิชชาที่เป็นปฏิปักิต่อความรู้เนี่ยนะอวิชชาโอขะอวิชชาโยคะอวิชานุสัยคือมีกำลังเนะี่ยอวิชชาปริยุทธานคือครอบงำอวิชชาลังคีลิมคืออวิชาโมหะอากุสลมูลนี้เรียกว่าลูกศรคือโมหะลูกสอนคือโมหะนี่ยิ่งใหญ่มากเนนะนะซึ่งเป็นภัยที่ เป็นลูกศรที่สัตว์เนี่ยถูกเสียบแต่ว่าไม่รู้ตัวส่วนลูกศรคือมานะเป็นฉนัยก็ความถือตัวว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาความถือตัวว่าเราเนี่ยเสมอเขาความถือตัวว่าเราเนี่ยเลวกว่าเขาความถือตัวกิริยาที่ถือตัวความเป็นผู้ถือตัวความใยสูงความฟูขึ้นความทะนงตัวความยกตัวความที่จิตใยสูงดุจธงนี่ชื่อว่ามานะ ก็คือความลำพองส่วนลูกสรคือทิฐิเป็นฉนสกายะทิฐิมีวัตถุ20สกายะทิฏฐิมีวัตถุ20ก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยโดยความเป็นอัตตาหรือว่าอัตตาเนี่ยมีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่ในอัตตานพวกสกายะทิฐิ นะคือสำคัญรูปประขันเป็นต้นเนี่ยโดยความเป็นอัตานั่นเองส่วนมิจฉาทิฐิมีวัตถุสิบนะก็คือความเข้าใจว่าทานที่ให้ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลนะผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่ามิจฉาทิฐิส่วนอันตักคาฮิกะทิฐิมีวัตถุสิบก็คือพวกที่ถือว่าโลก มีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเนี่ยนะสัตว์โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นตัวนนะกลุ่มนี้เรียกว่าอันตักคาหิกะทิฐิมีวัตถุสิบทิฐินี้ความไปคือทิฐิความรกเรียวคือทิธิกันดารคือทิฐิเสี้นน้ําคือทิธิความดิ้นรนคือทิฐิเครื่องประกอบนะโยคะคือทิฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่น ความถือผิดทางคลองผิดความเป็นผิดลทัทธิเดรัตีความถือโดยสแสวงหาผิดความถือวิปริตความถือวิปลาดความถือผิดความถือแน่นอนว่าว่าจริงในสิ่งที่ไม่จริงอันใดเห็นตานี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความกลุ่มรุมของทิฏฐิเนี่ยนะ และต่อไปก็คือทิธฐิหบงทิฏฐิกก็แบ่งเป็นส่วนทิฏฐิที่เป็นอดีตกับทิฏฐิที่เป็นอนาคตทิธฐิที่เป็นอดีตก็มี18ทิฏฐิที่เป็นอนาคตก็44ิีอันทิฐิเหล่านี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นลูกศรทั้งหมดเลยทั้งสกายทิฐิ2ีมิจฉาทิฐิมีวัตถุ10อันตคาหิกะทิฐิ10ความปริยุทธานทิฐิปริยุทธาน18 ทิฏฐิพวกนี้เป็นลูกสอนคือทิฐิเนี่ยนะที่ตักในสัตว์ทั้งหลายส่วนลูกสอนคือความโศกเนี่ยเป็นไนก็คือความโศกกิริยาที่โศกความเป็นผู้โศกความโศกภายในความตรอมภายในความแห้งในภายในความเร่าร้อนในภายในความแห้งผากในภายในความตรอมเตรียมแห่งจิตความโทมนัส แห่งบุคคลที่ถูกความเสื่อม ญ, ญาติกระทบแล้วนะเพราะจะต้องพลาดลาดจากญาติสูญเสียญาติเป็นต้นเนี่ยนะก็โศกโทมนัสเสียใจหรือว่าความโทมนัสที่ถูกความเสื่อมแห่งโภคสมบัติกระทบเข้าเวลาเสียเงินเสียทองเนี่ยนะโดยเฉพาะการสูญเสียเงินทองที่เปล่าประโยชน์ทําให้เกิดความเศร้าโศกหรือความโทมนัสที่ถูกความเสื่อมโรคเสื่อมเพราะโรคกระทบเนี่ยนะ โรคภัยบางอย่างเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยพอบอกว่าได้ข่าวว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งเท่านั้นน่หมายลมจะจับให้ได้ไปตรวจเลือดเจอโรคเอชเป็นต้นเนี่ยนะเพรานี้ก็จะทุกข์ทรมานมากหรือว่าผู้ที่เสียใจเพราะเสื่อมศีลเสียศีลเนี่ยนะเสียศีลศีลวิบัติถ้าศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งก็เสียใจเพราะเสียศีลหรือบางคนก็เป็นมิรรู้ตัวว่านะ พอมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเลิกถึงมิจฉาทิฏฐิที่ตัวเองเคยเป็นเคยทําก็เสียใจเรียกว่าถูกความเสื่อมเพราะทิฏฐินี่กระทบเข้าหรือว่าความเสื่อมเพราะประจวบกับความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะกระทบเข้าก็ลูกศรคือความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นเนี่ยนะนะที่จริงแล้วมันก็พร้อมที่จะโศกอ่ะไม่โศกเรื่องหนึ่งก็โศกเรื่องหนึ่งไม่เสียใจเรื่องหนึ่งก็ไปเสียใจอีกเรื่องหนึ่ง หาเรื่องทุกเรื่องโศกจนได้อันลูกศรคือความโศกลูกศรคือความสงสัยเป็นไฉไรความสงสัยในอริยสัจสี่ก็คือสงสัยในทุกขสงสัยในทุกขสมุทัยสงสัยในทุกขนิโรธสงสัยในทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาความสงสัยในส่วนเบื้องต้นความสงสัยในส่วนเบื้องปลายความสงสัยในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลาย ความสงสัยในธรรมทั้งหลายที่อาศัยการเกิดขึ้นคือปฏิจจสมุปาต์เมียวิชาเป็นต้นเนี่ยนะความสงสัยกิริยาที่สงสัยความเป็นผู้สงสัยความเครือบแคลงความลังเลความเป็นสองทางความไม่แน่ใจความไม่แน่นอนความไม่ตกลงใจความไม่ตัดสินความไม่กําหนดถือเอาได้ความที่จิตวันไว้อยู่ความติดขัดในใจ นี่ชื่อว่าลูกศรคือความสงสัยลูกสอนเนี่ยประการเห็นที่กล่าวไปก็คือลูกสอนคือราคะลูกศอนคือโทสะลูกสอนคือโมหะลูกศรคือมานะลูกสอนคือทิฏฐิลูกสอนคือความโศกลูกสอนคือความสงสัยเนี่ยนะก็ลูกสอนประการคำว่าอันสัตสัต์นี่อันลูกสอนใดปักติดแล้วย่อมแล่นพล่านไปสู่ทิศทั้งปวง คำว่าเล่นไปไปสู่ทิศเนี่ยนะก็คือสัตว์อันลูกศรคือราพะปักแล้วคือแทงเข้าไปแล้วถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจเนีย่ยนะพอราคะมันทิ่มภายในจิตเนี่ยนะฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นโดยไม่เหลือบ้างปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างดักแย่งชิงที่ทางเปลี่ยวบ้าง คบชูัญญาบุรุษอื่นบ้างพูดเท็จบ้างนะนะสัตว์ผู้ถูกลูกสอนคือราคะปักแล้วก็เล่นนันะคือแทงเข้าไปถูกต้องติดเสียบแน่นคาอยู่แล้วก็เล่นพลาดวนเวียนท่องเที่ยวไปอย่างนี้การใ น, นลูกสอนคือราคะปักอย่างเดียวเนี่ยทำให้ทําความชั่วทางกายทําความชั่วทางวาจาแล้วก็คิดชั่วทางใจนั่นนะ บางทีก็ทําทุจริตกรรมถึงกับผิดกฎหมายนะนะบางทีก็ไม่ถึงกับผิดกฎหมายแต่ก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นบาปเป็นอกุศลก็ด้วยอํานาจลูกสอนคือราคาเนี่ยปักคิดดูนะว่าสัตว์ที่ถูกลูกศอนปักเนี่ยนะมันจะดิ้นรนกรวนกวายขนาดไหนอันหนึ่งสัตว์อันลูกศรคือราคาเนี่ยปักติดแล้วแทงเข้าไปถูกต้องติดแน่นคาอยู่แล้วก็สแสวงหาโพกซัพบต์ตนหาเนี่ยมัน มันตักจิตอย่างงี้นะก็สแสวงหาพวกทระพั์เล่นไปสู่มาหาสมุทรด้วยเรือบางทีก็ต้องประกอบอาชีพไปทางน้ำเนี่ยนะฝ่าหนาฝ่ า, ฝาร้อนถูกสัมผัสแห่งเหลืยบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานเนี่ยเบียดเบียนถูกความหิวความกระหายเบียดเบียนเนี่ยนะก็ไปคุมพ ร, รับ้างไปตักโกลรัตบ้างไปตักกสิรัตบ้างไปกาละมุข ร, รัฐบ้างไป มรณะปารลัตบ้างไปเวสุงครัตบ้างะของเราก็จากเนี่ยพูดง่ายๆจากเชียงใหม่ไปเชียงรายจากเชียงรายไปอำเภอต่างๆอนะก็เล่นจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยไปหากินตามที่ต่างๆคนไทยเนี่ยนะก็ไปประกอบอาชีพอยู่เกือบทั่วโลกอยู่แล้วแม้กระทั่งใครที่ค้าขายก็โอตระอนตระอนตระอนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยนะไปตาม อำเภอต่างๆไปตามจังหวัดต่างๆไปเนี่ยนะแล้วลูกศรคือราคาเนี่ยปักทิมแทงก็ทําให้สแสวงหาโภกทระซับมันนะบางทีก็ต้องเดินทางที่ต้องห้อยโหนด้วยเชือกบ้างเดินทางที่ต้องโลดโดดลงด้วยร่มหนังแล้วก็เดินไปได้เดินทางที่ต้องไปด้วยพระองค์ไม่ไผ่อันนี้ถ้าพูดถึงโบราณเนี่ยนะทางที่ลําบากหรือบางทีก็ไปตามทางนกทางหนู ไปตามซอกเขาหรือว่าต้องไต่เขาไปตามเส้นไหวเดี๋ยนะก็เดือดร้อนตั้งแต่แสวงหาแล้วนะสแสวงหาก็เดือดร้อนเมื่อสแสวงหาไม่ได้ก็สเสวยทุกทรมนัดแม้มีความไม่ได้เป็นมูลเมื่อสแสวงหาได้ครั้นได้แล้วก็สเสวยทุกทรมนัดมีการรักษาเป็นมูลเนี่ยนะ ห, หากว่าจะได้ก็ทุกเต็มทีแล้วนะพอหามาได้ก็ทุกเต็มทีอย่าง ยังหาเงินซื้อบ้านเนี่ยนะกว่าจะได้เงินซื้อบ้านหลังหนึ่งก็เดือดร้อนน่ะพอมีบ้านนี่ก็เดือดร้อนเพราะดูแลปกปักรักษาบ้านนี่แหละปัดกวาดเช็ดถูอยู่นั่นแหละนี่นะก็เดือดร้อนไปเรื่อยนี่แหละทันทุกในการรักษาก็วิตกอยู่ว่าด้วยอุบายอะไรหนอพระราชาจึงจะไม่ริบซัพย์ของเราไปพวกโจรจะไม่ลักไปไฟจะไม่ไหม้น้ําจะไม่พัดทายาตอันไม่เป็นที่รักจะไม่เอาไป เมื่อเขารักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ทรัพย์เหล่านั้นย่อมวิบัติไปนะรักษาก็ไม่ได้อย่างรักษารอกทำมาว่ายิ่งรักษายิ่งหายเหมือนกันเขาก็สเสวยทุกโทมนัสมีการพลาดพลาดจากทรัพย์นั่นแหละเป็นมูลมีทรัพย์เสียทรัพย์กว็เดือดร้อนสิ่งเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ไม่ก่อนก่อนที่จะเป็นของเราเราก็เฉยเฉยหมดแหละพอมาเป็นของเราแล้วบอกว่าจะต้องจากเราไปเนี่ยนะเราสูญเสียแล้วก็เสียใจกัน